และเสนาบดีทั้งสี่นี้เป็นนักบริหารชั้นสูงปฏิบัติราชการต่างพระเนตรระกันขององค์อวิชาธิราชทุกประการเป็นที่ไว้วางใจใกล้ชิดพระองค์แล้วรองจากบุคคลชั้นนำทั้งเจ็ดนี่มีอีกไหมยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆอีกใครบางล่ะมีนายทหารชั้นหัวหน้าสามคนคอยรับคำสั่งจากเสนาบดีหรืออาครมหาเสนาบดีไปปฏิบัต นายทหารสามคนนี้ชื่อโลภะโทศและโมหะตามิหน้าที่ทำอะไรท่านผู้เจริญนายทหารที่ชื่อโลภะโดยมากรับคำสั่งจากอรรมหาเสนาบดีกามตันหาไปปฏิบัติคือเมื่อกามตันหาทราบว่ามีทรัพย์สมบัติที่ใดควรจะนำเข้าสู่ท้องพระครังท่านก็จะสั่งการให้โลภะไปสารวจดูทรัพย์สมบัตินั้น อย่างถี่ท่วนอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านพอใจท่านก็จะสั่งอภิ ช, ชาซึ่งเป็นในทหารชั้นรองลงมาไปวางแผนอย่างละเอียดในการที่จะยึดอาสมบัตินั้นต่อจากนั้นโลภะก็สั่งให้พลทหารสองคนคือกายทวาลและวัจีทวาลเข้าไปจัดการนำทรัพนั้นเข้าสู่ท้องพระคลังต่อไประหาทที่่โ มีหน้าที่ทําอะไรนายทหารชื่อโทสักมีหน้าที่ทําตามคําสั่งของอ克รมหาเสนาบดีภวะตันหาและวิภวะตันหาอีกทีหนึ่งคือเมื่อวิภวะตันหาต้องการจะกําจัดทําลายสิ่งใดก็สั่งให้โทสักไปสํารวจดูสิ่งนั้นเมื่อเห็นว่าต้องทําลายแน่โทสะก็สั่งให้พยาบาทวางแผนและสั่งพลทหารกายทวานและวจีทวาร ลงมือไปทำลายต่อไปทีนี้ก็มาถึงนายทหารที่มีชื่อโมหะโมหะมีหน้าที่รับคำสั่งจากใครท่านผู้เจริญโมหะนี้มีหน้าที่รับคำสั่งจากองค์อาวิชาที่ราดโดยตรงหรือจากอาครามหาเสนาบดีหรือเสนาบดีคนใดคนหนึ่งนำไปปฏิบัติหน้าที่ของเขาคือการโฆษณาชวนเชื่อให้คนเกิดความสงสัยลังเลในเรื่องต่างๆ เมื่อคนเกิดความลังเลแล้วเขาก็สั่งลูกน้องชื่อมิจฉาทิฐิซักนําให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิดทันทีเมื่อเกิดความเห็นผิดแล้วเขาก็สั่งให้พลทหารกายทวารพลทหารวจีทวารลงมือปฏิบัติการตามที่เขาปรารถนาต่อไปท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมองค์อวิชชาธิราชจึงต้องมีนายทหารชั้นโมหะไว้หลอกลวงประชาชน ของตนก็เพราะว่าการหลอกลวงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความมั่นคงแห่งราชบัลลังก์ขององค์อวิชาธิราชเพราะเมื่อคนเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็จะเห็นความสําคัญของพระองค์เคารพและต่อสู้เพื่อความคงอยู่ของพระองค์ทั้งๆที่ความจริงแล้วองค์อวิชาธิราชเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดไม่เหมาะสมกับตําแหน่งอันสูงส่งนั้นเลย ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเรื่องราวของกองทัพฆ่าสึกกิเลสตามที่ข้าพเจ้าพูดมานี้ถ้าฟังดูอย่างผิวเผินก็จะเห็นว่ากองทัพฆ่าสึกอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ภายนอกตัวเราแต่ความจริงน้นมาอยู่ในตัวเรานี่เองมันทำงานตามหน้าที่ของมันอย่างแข็งขันก่อความทุกข์ยากลําบากนานาประการให้แก่ตัวเราตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกตัว เพราะถูกโมหะอันเป็นลูกมือของจองทัพอาวิชชาหลอกลวงไม่ให้เห็นผิดเห็นไปว่ากองทัพกิเลสเป็นสิ่งธรรมดาเป็นตัวเราเองเราจึงตกเป็นทาสของอาวิชชามาตลอดกับตลอดกันไม่ได้คิดจะประกาศอิสรภาพโค่นบัลลังก์ของทรราชอาวิชชาเพราะบรมศาสดาของเราเป็นศาสาพระองค์แรกที่ทรงทราบความจริง ทรงลุกขึ้นต่อสู้กับกองทัพอันเกรียนไกลของอวิชาจนสามารถโค่นทรราชนั้นลงจากบันลังได้และประกาศพระองค์เองเป็นอิสระจากกิเลสและทุกข์ทั้งมวลในฐานะที่เราเป็นพุทธสาวกเราจะต้องเจริญรอยตามพระองค์การที่เราได้เสียสละคารวาตวิสัยออกสู่พรหมจรรย์นี้ก็แสดงว่า เราได้ประกาศตนเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิเพื่อต่อสู้กับกองทัพข่าศึกคือกิเลศข้าพเจ้าจะแนะวิธีต่อสู้กองทัพกิเลสอันแข็งแกร่งนี้เป็นขั้นๆไปเชิญผู้เจริญแนะนำนายทัพผู้สลาดเมื่อจะเข้าโจมตีอาริราชศัตรูเขาจะต้องโจมตีไปทีละขั้นตั้งแต่ตามนิคมชนบทชายอาณาเขต เข้าไปสู่หัวเมืองชั้นหนในที่สุดก็จู่โจมเข้ายึดนครหลวงบุกพระราชวังจับพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นเฉลยหรือกำจัดเสียการโจมตีกองทัพกิเลศก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันก่อนอื่นต้องจับพลทหารหรือกายทวารแล้ววจีทวารให้ได้สะกอ่อนเมื่อจับได้แล้วให้นำไปผูกมัดไว้อย่างมั่นคง อย่าให้เขากระทำตามคำสั่งของเจ้านายได้การที่จะจับพลทหารทั้งสองประเภทไว้ให้ได้นั้นเราจะจับอย่างไรทราบไหมข้าพเจ้าไม่ทราบเชิญกานบูจะเล่าแนะนำเราต้องจับมัดด้วยศีลจับมัดยังไงเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาและรักษาศีลก็เท่ากับการผูกมัดกายวาจาไม่ให้ไปกระทำความชั่ว ตามคำสั่งของกิเลสชั้นสูงขึ้นไปได้เมื่อจับกายวาจามัดไว้ได้แล้วความทุกข์อันเป็นผลแห่งการกระทำชั่วทั้งกายและวาจาก็ไม่มีเชื่อว่าระดับทุกข์ชั้นหนึ่งแล้วโปรโดแนะนําขั้นต่อไปเถิดท่านผู้เจริญขั้นต่อไปเราจะต้องจัดการกับนายทหารทั้งสามคือโลภะโทสะโมหะและลูกมือคืออภิชาพยาบาท และมิจฉาทิฐิทหารทั้งหกคนนี้มีความเก่งกล้าสามารถแข็งแรงว่องไวฉเฉลียวฉลาดยากแก่การกำจัดอย่างยิ่งโอ้แล้วจะทำยังไงล่ะท่านผู้เจริญเราจะใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องใช้อาวุธลหลายอย่างพร้อมกันอาวุธที่จะปราบกิเลสทั้งหมีอะไรบ้างล่ะท่านผู้เจริญต้องทำความดีทุกๆุกอย่างเท่าที่จะทำได้การทำความดี เกัเป็นการบำรุงกําลังใจเพราะความดีเป็นอาหารอันประเสริฐของจิตใจประการที่สองต้องสํารวมระวังอินทรีย์ทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งสติเป็นยามรักษาการไว้ที่ประตูทั้งหกช่องนี้เมื่อตาเห็นรูปก็ให้รูเ้เพียงว่ารูปแล้วกําจัดออกไปเสียอย่าให้ทหารทั้งหก ออกไปพิจารณาสอบสวนได้ทันการอย่าถือโดยนิมิตว่าเป็นรูปอะไรอย่าถือโดยอนุพยัญชนะคือเพ่งพิจารณารายละเอียดปลีกย่อยต่างๆเมื่อหูได้ยินเสียงจะหมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสและมโนภาพเกิดขึ้นกับใจก็ให้ปฏิบัติอย่างเดียวกันถ้าทำได้อย่างนี้ก็เท่ากับว่า ไม่เปิดโอกาสให้ทหารกิเลสทั้งหกกระทำได้ตามใจชอบเมื่อสำรวมอินสีแล้วก็ต้องมีโพชเนมัตตันยุตาอะไรละ่ะท่านผูเ้เจริญรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอีกทั้งต้องมีชาคาิยานุโยกอะไรละ่ะท่านผู้มีความรู้ทำตัวเป็นผู้ตื่นอย่ามัวเพลิดเพลินในการหลับนอนพูดง่ายๆว่า อย่ากินมากนอนมากเพราะการกินมากนอนมากเป็นการเพิ่มกำลังให้แก่ทหารทั้งหการกินน้อยนอนน้อยเท่ากับเป็นการตัดกำลังของทหารกิเลส ท, ทั้งหกถ้าทำได้ครบทั้งสี่อย่างนี้เท่ากับกําจัดทหารกิเลส ท, ทั้งหกให้อ่อนกําลังลงและหมดสิ้นไปไหนที่สุดเมื่อกําจัดได้แล้วทุกที่จะพึงเกิดเพราะกิเลส ท, ทั้งหกก็ไม่มี เป็นอันดับทุกชั้นกลางได้ต่อจากนี้ก็ถึงกิเลสชั้นสำคัญแล้วสินะท่านผู้เจริญถูกแล้วท่านผู้มีอายุกิเลสชั้นสำคัญเจ็ดตัวคืออคระมหาเสนาบดีทั้นสาและเสนาบดีทั้นสี่ กิ เ, เลชันหัวหน้าทั้งเจ็ดนี้อาจกาจัดได้ด้วยการบำเพ็ญสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นทำสติสัชัญญาให้มีกำลังสูงมีความเพียรเด็ดเดี่ยวเจริญวิปัสสนาจนได้ยานพิเศษรู้แจ้งเห็นจริงในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเกิดความรู้ขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนถาวรมั่นคงแล้วตัณหาและอุปาทานก็จะอ่อนกำลังลงและบดสิ้นไปเมื่อตัณหาและอุปาทานหมดสิ้นไปแล้วทุกทั้งหลายที่จะพึงเกิดจากตัณหาและอุปาทานก็ดับไปเป็นอันว่าเราดับทุกขั้นละเอียดได้ยังมีขั้นต่อไปหรือไม่ท่านผู้เจริญมีสิท่านผู้มีอายุ เหลือองค์อวิชาที่ราชในพระราชวังซึ่งปราศจากพลพักที่จะคุ้มครองป้องกันอันพระราชาธิบดีเท่างหลายนั้นทักษะซึ่งกําลังกองทัพก็เท่ากับว่าเป็นคนที่ปราศจากแขนและขาไม่มีอํานาจวาสนาอีกต่อไปอวิชาที่ปราศจากพลพักกิเลสต่างๆสนับสนุนก็ไร้ความหมายแล้วอะไรล่ะที่จะปราบ องอวิชชาที่ลาดได้ที่จะปราบอาวิชชาที่ราดได้ก็คือวิปัสสนาญาณหรือวิชาความรู้จริงเห็นแจ้งในธรรมะทั้งปวงอันเป็นผลแห่งการเจริญจานเมื่ออวิชชาดับก็ชื่อว่าดับต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงได้ต่อจากนั้นพโยขาวจรก็บรรลุถึงพระ น, นิพพาน ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่คือทางไปสู่นิพพานที่พระบรมศาสดาของเราทรงแสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งเปิดเผยทำให้ผู้สงสัยทุกคนพิสูจน์ได้ถ้าท่านทั้งหลายต้องการถึงนิพพานก็จงดำเนินตามทางนั้นด้วยอุตสาหะเวริยภาพแม้ข้าพเจ้าก็กำลังดำเนินตามทางนั้นอยู่ในที่สุดขอให้ท่านทั้งหลาย จงบรรลุถึงจุดหมายปลายทางแห่งพรหมจรรย์สมความปรารถนาทุกท่าน ของกรุงราชคฤห์ซบสาวเงียบเหงาตามถนนหนทางซึ่งเคยคึกคักด้วยพ่อค้าผานิชและคนทุกเพศทุกวัยทุกวันนันขณะนี้ว่างเปล่ามีคนเดินไปมาเพียงเล็กน้อยออกมาทางประตูด้านทิศเหนือระหว่างภูเขาเวปุละและเขาเวภาระมันนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้ใกล้กับตะโปตาณาที บ่อนำร้อนอันศักดิ์สิทธิ์ผู้คนคลุกคลานมาอาบน้ำล้างบาปตั้งแต่เช้าจนเย็นเวลานี้มีคนอาบอยู่เพียงสองสามคนเท่านั้นท่านผู้มีอายุท่านมีอะไรเหลืออุบาสกข้าพเจ้าชื่อวสุเทวะเป็นอนาคาริกะปฏิบัติธรรมเพื่อวิโมกเช่นเดียวกับท่านถ้าท่านไม่รังเกียร ข้าพเจ้าอยากจะสนทนาธรรมกับท่านเพื่อให้เกิดปัญญาไม่รังเกียจเลยท่านอนาคาริกข้าพเจ้าเห็นท่านกำลังเตรียมตัวจะออกเดินทางท่านกำลังจะรีบร้อนไปไหนเหรอข้าพเจ้าไม่มีธุระรีบร้อนไปไหนหรอกท่านอนาคาริกข้าพเจ้าเดินทางไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางข้ามที่ไหนก็หยุดพักที่นั่นอยากพักนานเท่าไหร่ก็พัก อยากไปเมื่อไหร่ก็ไปอยากไปไหนก็ไปธุระของข้าพเจ้าอยู่กับตัวข้าพเจ้าเองท่านอยากจะสนทนาอะไรก็เชิญตามสบายนะไม่มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าจะยินดีกระทํายิ่งไปกว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับบรรดานักบทในศาสนาต่างๆผู้กำลังศึกษาค้นคว้าไปในแดนแห่งจิตใจอันล้ำลึกถ้าการสนทนาของเรา มีสาระประโยชน์คุ้มค่าเวลาข้าพเจ้าก็จะยินดีสนทนากับท่านด้วยเวลานานท่านผู้มีอายุอากาศวันนี้รู้สึกร้อนระอุเหมือนกับบรรยากาศทางเมืองราชเครืจริงๆจริงของท่านเนื่ว่าท่านเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในกิจการบ้านเมืองคนหนึ่งทั้งที่ท่านเป็นผู้สละโลกีวิสัยแล้วเรื่องอย่างนี้รู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไร พูดกันตามความเป็นจริงแล้วเขาพระเจ้าเห็นว่าพระเทวทัตเป็นสมณะที่เลวซามที่สุดประชาชนควรจะจับสำเร็จโทษซะเวลานี้ทราบว่าไปตั้งกกเป็นอิสระอยู่ทางตะบนขยาสีสัประเทศโน้นเห็นว่าปฏิบัติตนเลียนแบบพระสมณะโคดมทุกประการมีอัครส า, าวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาซะด้วยทานนาค า, าิกะ ถ้าท่านจะชวนข้าพเจ้าสนทนาในเรื่องอัญชวนให้ใจห่อเหี่ยวเช่นนี้ข้าพเจ้าเห็นจะต้องอำลาท่านเดินทางต่อไปซะแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องที่พูดเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาแต่อย่างใดรู้สึกว่าท่านจะแก่ปัญญาเกินไปซะแล้วทางทั้งที่แก่ปัญญานี่แหละท่านก็ยังอ่อนอยู่มากในเชิงปัญญาอาจจะจริงข้อบอกพร่องของตัวเองบางทีก็มองไม่เห็น จนกว่าจะมีคนอื่นมาชี้ให้ดูแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ทราบว่าข้าพเจ้าจึางอ่อนในเชิงปัญญาอะไรเพียงเพราะปะเหตุที่ไม่อยากสนทนาเกี่ยวกับความชั่วร้ายกับคนอื่นอย่างนั้นหระ <c oughs> ท่านผู้มีอายุธรรมดาหมอผู้เชี่ยวชาญในยชัชรเวทย่อมจะมองเห็นต้นไม้ทุกต้นเป็นยาฉันใดนักปัญญาก็ย่อมจะมองเห็นเรื่องราวทุกเรื่อง เป็นเครื่องเรืองปัญญาฉันนั้นข้าพรเจ้าเห็นว่าการสนทนากันถึงความดีหรือความชั่วของผู้อื่นถ้าเราสนทนาเป็นก็อาจจะก่อให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันวสุเทวะนี้เป็นนักบวชที่จะดูหมิ่นไม่ได้เสแล้วคำพูดของเขาหลักแหลมมีเหตุผลแสดงว่าเป็นพระหูสูตรมีความคิดมีปัญญาดีทีเดียว ช่วยอธิบายความกระจายข้าพเจ้าสักหน่อยเถิดท่านนาคาลิกะท่านผู้มีอายุจะให้ข้าพเจ้าอธิบายอะไรการปฏิบัติของนักบวชข้าพเจ้าบอกไม่ได้เป็นความลับอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ความลับแต่ข้าพเจ้าบอกไม่ได้แต่หาทําไมล่ะท่านข้าพเจ้าออกบวชเป็นนักบวชเองด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ขึ้นสังกัดศาสดาองค์ใดและไม่ได้ถือข้อวัดปฏิบัติของนักบวชสำนักไหนโดยเฉพาะอยากปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติไม่ต้องตกเป็นทาสของกฎเกณฑ์อะไรของใครถ้าอย่างนั้นท่านออกบวชเป็นนักบวชทำไมเพราะเหตุผลอย่างเดียวท่านผู้มีอายุเหตุผลอะไรความรักอิสระเสรีภาพอันสูงส่ง อิสราภาพจากภาระกังวลของคาราวาสวิสัยอิสราภาพจากละทิข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอิสราภาพจากศาสดาเจ้าละทิใดๆทั้งหมดและอิสราภาพจากการติดอยู่กับถิ่นกับบุคคลใดๆทั้งสิน้นแต่ในฐานะเป็นนักบวชท่านจะต้องมีจุดหมายปลายทางของชีวิตจุดหมายปลายทางของชีวิตถูกแล้วนอกจากนั้น ท่านจะต้องมีหลักปฏิบัติบางอย่างเพื่อบรรลุถึงจุดหมายนั้นแต่ข้าพเจ้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นท่านว่าไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นเลยท่านอนาคาริกถูกแล้วท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่มีอะไรทั้งสิ้น แม้แต่จุดหมายของชีวิตเพราะอะไรเพราะตราบใดที่ยังมีจุดหมายก็จะติดอยู่กับจุดหมายนั้นจะไม่ได้รับอิสระภาพอย่างสมบูรณ์เมื่อไม่มีจุดหมายข้าพเจ้าก็ไม่มีหลักปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดหมายนั้นถ้าอย่างนั้นท่านถือเพศเป็นนักบวช ท, ทำไมข้าพเจ้าถือเพศเป็นนักบวชก็เพราะเห็นว่าเพศนี้เหมาะที่สุด สำหรับข้าพเจ้าในขณะนี้แต่ถ้าข้าพเจ้าเห็นว่าเพศนี้เหมาะกว่าในขณะอื่นข้าพเจ้าอาจจะสละเพศนักบวชเมื่อไหร่ก็ได้ข้าพเจ้าไม่ติดแม้แต่เรื่องเพศพันธุ์ภายนอกเอ๊ะนั่นทหารถูกแล้วนันทา h หลวงทําไมท่านต้องทําท่าทางตื่นเต้นอย่างนั้นด้วยล่ะมีอะไรเหรอเปล่าไม่มีอะไรหรอก ข้าพเจ้าขอตัวสักครู่ก่อนนะท่านผู้มีอายุท่านจะไปไหนข้าพเจ้าจะไปทํากิจอะไรบางอย่างครู่เดียวเท่านั้นวสุเทว่าจะไปไหนถ้าทางร้อนรนเอ๊ขึ้นไปบนต้นไม้ขึ้นไปทํำไมไปยืนอยู่บนยอดไม้ยกมือขึ้นขึ้นลงลงเป็นสัญญาณต่งตางๆเขาทําอะไรของเขานะ พระเจ้าลงมาแล้วเพียงครู่เดียวอย่างที่พูดจริงๆซะด้วยท่านขึ้นไปทําอะไรบนยอดไม้ไหวพระอาทิตย์ไหว้พระอาทิตย์ถูกแล้วดูท่าทางท่านประหลาดใจสงสัยไม่น้อยถูกอย่างที่ท่านว่าท่านบอกอยู่เมื่อกี้นี่เองว่าไม่ยึดไม่คิดอะไรทั้งสิน้นท่านไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตไม่ขึ้นสังกัดอยู่กับาศาสดาองค์ใด เพราะการมีาศาสดาจะทําให้จิตใจหมดอิสระภาพแต่ว่าแต่ว่าอะไรระท่านผู้มีอายุคําพูดกับการกระทําของท่านไม่ตรงกันเลยไม่ตรงกันอย่างไรก็ท่านขึ้นไปบนต้นไม้ไปไหว้พระอาทิตย์อย่างนั้นแสดงว่าท่านยังนับถือพระอาทิตย์เป็นสวรณะและยังติดในข้อวัดคือการไหว้พระอาทิตย์ท่านเข้าใจผิดซะแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้นับถือพระอาทิตย์เป็นศาสดาหรือเป็นสรณะแล้วก็ไม่ได้ยึดเอาการไหว้พระอาทิตย์เป็นข้อวัดปฏิบัติก็แล้วที่ท่านไหว้เมื่อกี้ล่ะใช่ข้าพเจ้าไหว้พระอาทิตย์แต่ดั้นไม่ใช่เป็นการนับถือข้าพเจ้าอาจจะไหว้อะไรก็ได้ในเมื่อข้าพเจ้าคิดอยากจะไหว้ถ้าไม่อยากไหว้ข้าพเจ้าก็จะไม่ไหว้อะไรเลย ขณะนี้ข้าพเจ้าคิดอยากไหว้พระอาทิตย์และอยากจะไหว้บนยอดไม้ซะด้วยข้าพเจ้าจึงเป็งขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์บนยอดไม้ท่านผู้มีอายุชีวิตของข้าพเจ้าเป็นชีวิตอิสระอย่างสมบูรณ์แบบข้าพเจ้าปล่อยให้มันเลื่อนลอยไปดุดปุยนุ่นที่ถูกกระแสลมพัดพาไปในอากาศอันเว่อง์หวางไม่เกาะเกี่ยวติดพันกับอะไรทั้งสิน้น ข้าพเจ้ามองเห็นแล้วท่านอนาคาริกท่านมองเห็นอะไรก็อิสรภาพนั่ น, นสิข้าพเจ้ามองเห็นแล้วว่ามีอยู่สองอย่างอะไรบ้างสองอย่างที่ท่านว่านี่นะอิสรภาพทางกายและอิสรภาพทางใจ อิสรภาพทางกายเป็นยังไงท่านผู้มีอายุอิสรภาพทางกายสามารถจะไปไหนมาไหนได้อย่างสบายไม่ติดถินฐานอาวาตเปรตเสมือนปลาที่แหวกว่ายในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไม่มีระเบียบวินัยทางกายใดๆที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำแล้วอิสระทางใจละ่ะอิสรภาพทางใจคือการไม่ยึดมั่นในาศาสดา ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านมีสรารภาพทั้งทางกายและทางใจพอสมควรแต่ก็เชื่อว่ายังไม่มีสรารภาพที่สมบูรณ์ดีนะักข้าพเจ้าน่ะเหรอมีอิสระภาพยังไม่สมบูรณ์ถูกแล้วท่านอนาคาริกะเฉพาะอย่างยิ่งท่านยังขาดอิสระภาพทางใจอย่างมากทีเดียวข้าพเจ้าขาดอิสระภาพทางใจยังไงอ่ะท่านผู้มีอายุท่านบอกว่าท่านไม่มีข้อวัดปฏิบัติ อันแน่นอนท่านจะปฏิบัติวัดใดๆก็ได้ตามที่ท่านอยากจะปฏิบัติในขณะนั้นๆอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยท่านเกิดอยากจะไหว้พระอาทิตย์บนต้นไม้ท่านก็ปีนขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์เขาพระเจ้าเชื่อว่าในคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงบางคืนท่านเกิดอยากจะไหว้พระจันทร์บนยอดเขาขึ้นมาท่านก็จะต้องปีนขึ้นไปไหว้พระจันทร์บนยอดเขาหรือบางขณะ ท่านอาจจะเกิดอยากว่ายปลาขึ้นมาท่านก็ต้องดำน้ำลงไปไว่ายปลาอย่างนั้นละสิก็อย่างนั้นสิท่านภูมิอายุข้าพเจ้ามีอิสระทางใจอยากจะทำอะไรที่ไหนเมื่อใดก็ได้ตามใจชอบอย่างนี้แล้วท่านจะว่าข้าพเจ้าขาดอิสระภาพทางใจได้ยังไงท่านอนาคาริกะปุยนุ่นที่ล่องลอยไปในอากาศแม้จะดูเป็นอิสระดี แต่มันก็ยังตกเป็นาธาตของกระแสลมเลื่อนลอยไปตามอำนาจแรงลมสว่าที่ลอยไปตามลำน้าแม้จะดูเป็นอิสระดีแต่มันก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจกระแสน้าฉันใดการปฏิบัติของท่านก็ฉันนั้นการที่ท่านอยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแม้จะดูเป็นอิสระภาพอย่างสูงแต่จิตใจของท่านก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจของความอยาก ถูกความอยากพัดพาไปถูกความอยากบังคับให้ทำหรือไม่ทำสิ่งต่างๆเช่นนี้แล้วท่านจะประกาศว่าท่านมีสรภาพทางใจอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรวสุเทวานักบวชนั่งก้มหน้านิ่ง เขานั่งนิ่งอยู่เป็นเวลานานทีเดียคงกำลังคิดอย่างหนักมือทั้งสองถูกันไปมาอย่างระวนกระไว้ใจมเมล็ดเหงือกปรากฏขึ้นทางหน้าผากหน้าเนิ้วคิ้วขมวด จ, จริงของท่านท่านผู้มีอายุจก่งของท่านทีเดียวเข้าไปเจ้าลืมคิดถึงข้อนี้ไปลืมสนิททีเดียวแล้วคงจะหลงเข้าใจผิดไปอีกนาน ถ้าไม่ได้มาพบและสนทนากับท่านนับว่าท่านเป็นผู้นำแสงสว่างมาสู่จิตใจอันมืดมัวข้อเขว เ, เจ้าโดยแท้ยังจะมีลัทธิใดอีกบ้างไหมที่จะให้อิสระภาพอย่างสมบูรณ์แท้แก่คนในชมพูทวีปมีสิท่านอนาคาริกะลัทธิอะไรท่านผู้เจริญลัทธิพรหมจันทร์ของพระโคโดมพุทธ ที่ข้าพเจ้าถือปฏิบัติอยู่เวลานี้เป็นลัทธิให้อิสรภาพอย่างสมบูรณ์แท้แก่ผู้นับถือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีสรภาพทางใจอันสูงส่งไม่เป็นพาดของสิ่งใดๆแม้แต่ความอยากของตนเองความจริงข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังมามากเหมือนกันเกี่ยวกับลัทธิคําสั่งสอนของพระสมณะโคดมแต่ข้าพเจ้าเห็นว่า ท่านเห็นว่าอะไรคำสั่งสอนนั้นต่ำกว่าลทัทธิอันสูงส่งของข้าพเจ้าเพราะอะไรพระสมณโคโดมยังสอนสาวกให้ติดอยู่ในพระตนไตรยัยให้ยึดมั่นในสิกขาบทวินยัยและเราเบียบปฏิบัติอันยุมยิ้มต่างๆของภิกษุข้าพเจ้าไม่เห็นว่าลทัทธิของพระองค์จะแตกต่างอะไรกับปฏทธิของาศาสดาทั้งหกก็เลยไม่ได้เอาใจใส่ศึกษา ถึงแม้แต่เวลานี้ก็เถอะเวลานี้ทำไมข้าพอเจ้ายังเชื่ออยู่ว่าลัทธิของพระสมณโคดมยังติดอยู่ในาศาสนาและข้อวัดปฏิบัติอันมีรายละเอียดมากมายขขาพอเจ้ายังมองไม่เห็นว่าภิกษุผู้เกาะเกียวรุงรังอยู่ด้วยาศาสนาระเบียบวินัยและทิฏฐิต่างๆเช่นนั้นจะเป็นอิสระสมบูรณ์ทั้งกายและใจได้ยางไง ขอเชิญท่านผู้เจริญช่วยอธิบายให้ขเจ้าเข้าใจด้วยเถิดท่านอนาคาริกขาขบ aja จาะอธิบายพร้อมระเบิดมาอุปไมาให้ท่านฟังธรรมดาบุรุษผู้ประสงค์จะข้ามแม่น้ําหรือสมุดสาคร อ, อันกว้างใหญ่เต็มไปได้ลุกคลื่นจระเข้และฉลามรายย่อมจะต้องอาศัยเรือเป็นเครื่องข้าม เมื่อเข้าไปถึงฝั่งโนนปลอดภัยแล้วเขาย่อมจะทิ้งเรือไว้ชายฝั่งไปแต่ตัวคนเดียวไม่แบกเรือไปด้วยชั้นใดสาวกของพระปรมาสสดาเมื่อยังไม่ถึงฝั่งคือมรคนิพานย่อมจะต้องอาศัยศีลเป็นลำเรืออาศัยสมาธิเป็นหางเสืออาศัยปัญญาเป็นดาวนำทางอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำร่อง อาศัยพระธรรมเป็นแผนที่และอาศัยพระสงฆ์เป็นลูกเรือแต่มาถึงฝั่งข้างโนนคือนิพพานแล้วพระอริยาสาวกย่อมทิ้งเรือและอุปกรณ์ต่า ง, า ง, างๆไว้เบื้องหลังเปิดประตูเข้าสู่อิสรภาพและสันติสุขช่วนีิรันดอนแต่ตัวเปล่าชันนั้นแต่ข้าเพเจ้าเห็นพระอริยาสาวกผู้บรรลุพระอราหันต์ผลแล้วยังยึดมั่นในภารตนาตรายัย ปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในศีลจารวัตทุกประการนี่ท่าน